เรากำลังเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานของการรู้จักตนเองหากว่าคุณยังไม่ได้ทำคุณจะไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้มันจะกลายเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นหากว่าคุณมีชีวิตอยู่ตามทฤษฎีคุณก็เป็นมนุษย์ที่ตายแล้วเพราะคุณมีชีวิตอยู่กับแนวคิดไม่ได้มีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงจิตที่มกล้ากระจ่างชัดอย่างยิ่ง และมีหัวใจอันเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเท่านั้นที่จะสามารถรับมือกับความเป็นจริงได้ไม่มีสิ่งอืง่นใดนอกเหนือจากนั้นจิตที่เริ่มวุ่นอยู่กับการทำสมาธิจะไม่เป็นสมาธิเพราะเป็นการกระทำที่จงใจหรือมีเจตนาการกระทำที่จงใจเพื่อจะให้ได้ผลเพื่อจะได้รับอะไรบางอย่างนั้นเป็นความอยากเป็นแรงผลักดัน ที่จะหนีไปจากความเป็นจริงของชีวิตในแต่ละวันของคุณจิตซึ่งเจตนาฝึกสมาธิจิตนั้นไม่อยู่ในสภาวะแห่งสมาธิไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นสมาธิต้องเป็นบทบาทอันร้ายเจตจำนงหากจงใจทาสมาธิมันจะกลายเป็นความพยายามและจะกลายเป็นแรงกดดันจิตใจดังนั้น สมาธิไม่ใช่การกระทำด้วยเจตจำนงไม่ใช่การสืบต่อเพราะในทันทีที่มีการสืบต่อคุณค่าทางการเวลาก็เกิดขึ้นจิตสร้างการเวลาขึ้นเพื่อใช้เป็นวิถีทางสำหรับการมาลุถึงอะไรบางอย่างหรือใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคงอะไรบางอย่างเอาไว้สมาธิคือปฏิบัติการซึ่งดับสลายลงทุกขณะทุกนาทีและไม่มีการสืบต่อ คุณสามารถเห็นได้ว่าจิตที่มีสุขภาวะไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันซึ่งมาจากความยากหรือแรงผลักดันใดๆทั้งยังไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเคลื่อนไหวภายนอกไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติทางการเมืองหรือเศรษฐกิจจิตอันเปลี่ยนด้วยสุขภาวะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆและไม่ตกอยู่ภายใต้แรงผลักดันจากความกระหายยาก จิตจะมีสุขภาวะก็ต่อเมื่อมีการรู้จักตนเองเท่านั้นเมื่อจิตเข้าใจกิจทั้งหมดแห่งชีวิตเมื่อจิตไม่ตกอยู่ภายใต้แรงบีบคั้นและพลังผลักดันแล้วสมองก็ต้องเงียบลงด้วยแต่ไม่ใช่ถูกทำให้เงียบลองสดับฟังเจ้าหมูนกเหล่านั้นคุณกำลังเงียบหูฟังหากคุณกำลังฟังอยู่จะไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบเกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าคุณฟังโดยอาศัยสมองซึ่งมีปฏิกิริยาโต้ตอบเพราะหน้าที่ของสมองก็คือการโต้ตอบแต่ขณะนี้คุณกำลังฟังโดยปราศจากปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆแต่คุณก็ฟังเพราะจิตและสมองเงียบพร้อมที่จะรับรู้จับไวละเอียดอ่อนมีชีวิตชีวาแต่ถ้าหากมันตอบโต้ ทำตามแบบแผนที่แน่นอนสมองจึงต้องละเอียดอ่อนไวต่อการรับรู้เงียบสงบและตื่นตัวปราศจากแรงกดดันใดๆของความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบซึ่งสภาวะเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับความล้ำลึกความพรั่งพร้อมไพยบูรณ์และความเต็มเปี่ยมแห่งการรู้จักตนเองอีกทั้งเรือนกายของคุณจาต้องสงบเงียบเป็นปกติด้วย แต่อย่าเริ่มต้นที่กายก่อนการทำให้กายเงียบก่อนนั้นไร้ความหมายทั้งหมดนี้จะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นไม่ต้องบอกว่าฉันจะนั่งเงียบๆจะพยายามฝึกสมองของฉันให้ตื่นตัวปราศจากปฏิกิริยาตอบโต้ดยฉันจะเฝ้ามองเพื่อไม่ให้อิทธิพลใดร่วงล้าเข้ามาหากเป็นเช่นนั้น คุณก็หลงทางทว่าคุณเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเองสภาวะเหล่านี้ก็จะตามมาอย่างงดงามเป็นธรรมชาติดุจ ด, ดวงตะวันขึ้นหลังหลาลาฟ้าจากนั้นคุณก็จะเข้าถึงความรู้สึกของความเงียบอย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่อาจเงียบลงได้หากคุณไม่มีที่ว่าง จิตของพวกเราส่วนใหญ่ไม่มีที่ว่างเลยจิตและสมองของเราทุกส่วนเรื้อรกแออัดยัดเยียดเหมือนในเมืองที่คุณอาศัยอยู่ในห้องบนตึกหลายชั้นคุณไม่มีพื้นที่ว่างภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างล้อมรอบตัวคุณภายในจิตก็ดุจเดียวกันคุณไม่มีที่ว่างเพราะจิตของคุณยุ่งเหยิงสับสนด้วยสารพัดแนวคิด ด้วยความเชื่อทัศนคติสู่สำเร็จที่ต้องทำหรือต้องไม่ทำมันไม่เคยเหลือที่ว่างให้คุณเป็นอิสระได้เต็มที่ให้จิตได้เปิดออกและเงียบลงฉะนั้นความเงียบจึงอยู่คู่กับความว่างแต่ความเงียบไม่ใช่จุดหมายปลายทางหรือดอกผลจากการฝึกฝนปฏิบัติชนิดใดโดยเฉพาะหรือเกิดจากความหวัง หรือความปรารถนาใดโดยเฉพาะมันอุบัติขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นจึงปราศจากแรงพยายามอย่าฝึกเปลือความเงียบเพราะในความเงียบไม่มีสิ่งใดให้ฝึกฝนผมไม่ได้นำเสนอวิธีการใดให้คุณไม่ได้บอกให้คุณทำสิ่งใดแต่คุณกำลังทำอยู่เรากำลังสื่อสารร่วมกันฉะนั้น คุณจึงเข้าไปหามันได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วคุณจะเป็นแสงสว่างแห่งตนเป็นมนุษย์เสรีผู้ปราศจากความกลัวผู้ไม่มีครูรีจารีดเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตสภาวะเหล่านี้จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติดุดดังที่ว่าตามติดมาด้วยราตรีการในความเงียบนั้นมีกระแสซึ่งไม่ได้ก่อขึ้นด้วยพลังแห่งความขัดแย้ง ทว่าชีวิตทั้งมวลของเราคือความขัดแยง้งและเราได้รับพลังงานจากความขัดแย้งนั้นแต่เมื่อจิตเข้าใจธรรมชาติทั้งมวลของความขัดแยง้งทั้งภายในโลกและภายในตนเองแล้วจากความเข้าใจนั้นความเงียบก็อุบัติขึ้นและในความเงียบนั้นจะเปี่ยมล้นด้วยพลังงานมหาศาลไม่ใช่เป็นความเงียบของการหลับนอนความหมักหมม แต่เป็นความเงียบของพลังงานอันมหาศาลผมไม่ทราบว่าคุณเคยเห็นเครื่องยนต์หรือไดนาโมบ้างไหมมันเป็นสิ่งซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงและเต็มไปด้วยพลังงานในทำนองเดียวกันจิตที่เงียบสนิทจะเปี่ยมล้นด้วยพลังงานและเพราะพลังงานนั้นไม่ถูกให้ชื่อไม่มีสัญชาติไม่มีความขัดแยง้งพลังงานนั้นไร้เจ้าของไม่ได้เป็นของคุณหรือของผม เมื่อพลังงานนั้นถูกปลดปล่อยให้ดำเนินไปโดยอิสระมันจะไปได้ไกลแสนไกลมันสามารถล่วงพ้นจากการอย่างวัดด้วยการเวลากระบวนการทั้งหมดที่ได้สื่อแก่คุณนี้คือปฏิบัติการแห่งสมาธิเมื่อมีปฏิบัติการเช่นนั้นพร อ, อันประเสริฐก็หลั่งรินปฏิบัติการเช่นนั้นคือความรักจิตเช่นนี้เท่านั้น ที่มีศักยภาพในการรังสรรค์ระเบียบขึ้นในโลกและจิตเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสารติการกิดที่มันทําจะไม่นํามาซึ่งความสับสนจิตเจี่ยงนี้เท่านั้นที่สามารถค้นพบสิ่งจริงแท้